ข้อความในพระสุตันตปิฎกคุตการนิกายจุลนิเทศนันทมานวากะปัญหานิเทศที่เนั่นนะก็ผ่านไป6รูปแล้วนะท่านพระนันทะทูลถามว่าชนทั้งหลายย่อมกล่าวกันว่ามุนีทั้งหลายมีอยู่ในโลกข้อนี้นั้นเป็นอย่างไรชนทั้งหลายย่อมกล่าวถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยยานว่าเป็นมุนีหรือ ย่อมกล่าวถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นอยู่ว่าเป็นมุนีคือคือคนเนี่ยยกย่องว่ามุนีมุนีอะ่ะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าเป็นมุนีเอายานใช่ไหมผู้มียานก้เรียกว่ามุนีหรือว่าผู้ใช้ความประพฤติความเป็นอยู่ว่าเป็นมุนีคำว่ามุนีเนี่ยนะก็สมัยก่อนก็ยกย่องพวกอาชีวกนิครนชดินดาบทชื่อว่ามุนีมุนีทั้งหลายมีอยู่ในโลก เพราะสมัยนั้นพระพุทธศาสนาเพิ่งเกิดเนี่ยนะแปลว่าไม่มีก็เอาคนดังคนเด่นคนมีชื่อเสียงผู้รู้ทั้งหลายที่เขายกย่องในสมัยนั้นเนี่ยมัญชนทั้งหลายก็คือไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์พรามแพทย์สูตรบรรพชิตเทวดาและมนุษย์ก็กล่าวบัญญัติคือชนทั้งหลายย่อมกล่าวถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยยานว่าเป็นมุนีหรื อ, อเอาเอาเอ า, เอายานใช่ไหมเป็นเครื่องวัดว่าผู้นั้นเป็นมุนีความว่า ชนทั้งหลายย่อมกล่าวคือย่อมพูดย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติซึ่งบุคคลผู้เข้าไปเข้าไปพร้อมเข้ามาพร้อมเข้าถึงเข้าถึงพร้อมประกอบด้วยยานอันสัมปยุต ด, ด้วยสมาบัตแ8หรือด้วยยานคืออภิน ญ, ญาหว่าเป็นมุนีนะคือถ้าอย่างแบบสมัยพุทธกาลก็คือกาลเทวินดาบทหรือว่าอารดาบทอุทกะกดาบทเป็นต้นท่านเหล่านั้นหรือเป็นมุนีเนี่ยนะ หรือว่าชนทั้งหลายย่อมกล่าวถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นอยู่ว่าเป็นมุนีคือผู้ที่ประกอบด้วยความเพียรของบุคคลผู้เป็นอยู่เศร้ามองเป็นผู้ทํากิจที่ทําได้ยากอย่างยิ่งยวดอย่างทั้งหลายว่าประพฤติอย่างทุกทรมานเนี่ยนะพวกอัตากิรมัานุโยกทั้งหลายสรุปคําถามว่าชนทั้งหลายย่อมกล่าวกันว่า มุนีทั้งหลายมีอยู่ในโลกข้อนี้นะั้นนเป็นอย่างไรชนทั้งหลายย่อมกล่าวถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยยานว่าเป็นมุนีหรือว่าย่อมกล่าวถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นอยู่ว่าเป็นมุนีเอายานเป็นเครื่องวัดหรือเอาความประพฤติเป็นเครื่องวัดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อว่าดูก่อนนันทะ ท่านผู้ฉลาดย่อมไม่กล่าวบุคคลผู้ประกอบด้วยทิธฐิด้วยสุตตะด้วยยานว่าเป็นมุนีเราย่อมกล่าวว่าชนเหล่าใดกำจัดเสนาเสียแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวไปชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นมุนีก็ไม่ใช่เอาตัวทิฐิเอาตัวสุตะเอาตัวยานอย่างที่กล่าวไปหรอกว่าว่าเป็นมุนี คือความเป็นมุนีไม่ได้รู้ At, มีความรู้ความเห็นได้ยินได้ฟังร่ำเรียนมาอย่างบุคคลทั้งหลายที่ท่านได้ยินได้ฟังมาหรอกอผู้ที่กําจัดเสนาคือกําจัดเสนามาณได้นี่นั่นแหละเรียกว่าเป็นมุนีที่แท้จริงนั่นแหละนะก็เท่ากับบอกว่าบุคคลทั้งหลายที่ท่านเอามาพูดถึงเนี่ยท่านเหล่านั้นเนี่ยยังกําจัดเสนาไม่ได้นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นเนี่ย ไม่ได้เป็นมุนีฟันผู้ที่เป็นมุนีอย่างแท้จริงก็คือผู้ที่กําจัดเสนาเสียแล้วคําว่าผู้ฉลาดผู้ฉลาดย่อมไม่กล่าวบุคคลผู้ประกอบด้วยทิฏด้วยสุตตะด้วยยานว่าเป็นมุนีเนี่ยนะคำว่าผู้ฉลาดเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าผู้ฉลาดก็บอกว่าท่านผู้ฉลาดก็คือฉลาดในขันฉลาดในธาตุท่านผู้ฉลาดในอายตนะคือฉลาดในขันธาตุอายตนะก็ฉลาดโดยปริญญานั่นเอง นะฉลาดด้วยการกําหนดรู้ทั้งที่เป็นยาตะปริญญาตีร ะ, ะปริญญาดนั้นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุบาติก็คือฉลาดในปัจจัยคําว่าฉลาดในปฏิจจสมุบาติก็คือผู้ที่ฉลาดในสมุทยัยสัจจะนั่นเองเพราะว่าขันธาตุอายตนะเนี่ยเป็นผลของปฏิจจสมุบาติคือเป็นผลของปัจจัยดันั้นถ้าบอกว่าผู้ฉลาดในปฏิจจสมุบาติก็คือผู้ฉลาดในการฉลาดในสมุทัย ทีนีผู้ที่ฉลาดในสมุทัยอย่างแท้จริงก็คือผู้ที่กําจัดสมุทัยนั่นเองท่านผู้ฉลาดในสติปทานผู้ฉลาดในสัมมาปทานผู้ฉลาดในอิทธิบาทฉลาดในอินทรีย์ฉลาดในพระฉลาดในโพชฌงฉลาดในอริยมรรคเนี่ยนะนี่ก็ฉลาดในภาวนาหรือฉลาดในภาเวตประธรรมธรรมที่ต้องเจริญธรรมที่ต้องบําเพ็ญส่วนผู้ฉลาดในผลฉลาดในนิพพาน อันนี้ก็หมายถึงฉลาดในธรรมะที่ทําให้แจ้งทัานฉลาดในขันทาตศัยยตนะเรียกว่าฉลาดในปริญญาธรรมฉลาดในปฏิจจสมุปบาทก็คือฉลาดในปหาตประธรรมฉลาดในโพธิปักษิธรรมเรียกว่าฉลาดในภาเวตประธรรมฉลาดในอริยผลในนิพานเรียกว่าฉลาดในสัชิกาตประธรรมท่านผู้ฉลาดเหล่านั้นย่อมไม่กล่าวคือไม่กล่าวว่าผู้ ความบริสุทธิ์ความหมดจดเนี่ยมีด้วยทิฐิเอ่อมีด้วยทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยนะด้วยการฟัง hmm. ด้วยยานที่ประกอบด้วยสมาบัตแ8หรือเอ่อด้วยยานที่เป็นมิจฉายานะยานที่เกิดร่วมกับสมาบัตแ8ททำให้บริสุทธิ์ไม่ได้หรอกเนี่ยนะฟังเฉยๆก็ทำให้บริสุทธิ์ไม่ได้หรือมิจฉายานะเนี่ยนะมิจฉายานะก็คือพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยทำให้บริสุทธิ์ไม่ได้ นี้ใครล่ะที่บริสุทธิ์จริงก็บอกว่าชนเหล่าใดย่อมกําจัดเสนาได้แล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์เนี่ยนะไม่มีความหวังเที่ยวไปชนเหล่านั้นแหละเป็นมุนีความว่าคําว่ามารเนี่ยกำจัดเสนามารเนี่ยคำว่าเสนามาร น, นั่นแหละเรียกว่าเสนาอะไรบ้างเป็นเสนามารก็ทุจริญสนี่แหละเป็นเสนามารเสินกายทุจริตวจีทูจริตมโนทุจริตนี่แหละเป็นเสนามาร ราคะโทสะโมหะเป็นเสนามานความโกรธความผูกโกรธนี่ก็เป็นเสนามานความลบหลู่ความตีเสมออันนี้ก็เป็นเสนามานความริษยาความตรนีก็เป็นเสนามานความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวความดูหมิ่นความเมาความประมาตกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวง ความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอกุศลาภิสังขารทั้งปวงเนี่ยเรียกว่าเสนาแมานเนี่ยนะพันก็นเน้นที่บาปอากุศลทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าเป็นเสนาแมานสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ ว, ว่ากามเรากล่าวว่าเป็นเสนาที่หนึ่งของท่าน กิเลสกามันนะเป็นเสนาที่หนึ่งนะที่มันทําให้ปรารถนาะหิวโหยอยากไปเรื่อยนะนะั่นแหะไม่มีจบมีสิ้นดังนั้นความไม่ยินดีนะนะหมายความว่าตอนแรกจะมาบวชก็ยากเหลือเกินกามันฉุดเอาไว้อะที น, นี้พอบวชเข้ามาอกีกมันก็มายินดีไม่ยินดีในอะไรไม่ยินดีในเสนาสนะอันสังัดนั่นนะไม่อยากอยู่เงี ย, งยบๆแล้วแล้วก็ไม่อยากจะเจริญทั้งสมถวิปัสนาวความไม่ยินดีนี่ก็เป็นเสนามานที่สอง นี่พอไม่ยินดีนะอยู่ไปอยู่ไปความหิวความกระหายก็เรียกว่าเป็นเสนาที่สามของท่า น, อ น, นพออยู่ในไปก็หิวใช่ไหมหิวกระหายนี่พอหิวกระหายแล้วเป็นไงตันหากล่าวว่าเป็นเสนาที่สี่ของท่านพอหิวกระหายตันหาก็เอาละต้องไปหากตรงนั้นตรงนี้จึงจะมีอยู่มีกินพอไปอยู่กินไปหาจนได้กินอิม่มเรียบร้อยเต็มที่ถีนะมิทะแล้วก็กล่าวว่าเป็นเสนาที่ห้าของท่าน กินอิ่มแล้วนะหนังท้องตึงหนังตามก็หย่อนแล้วก็ง่วงนี่ง่วงมากขึ้นนอนมากตื่นมากอยู่ที่เงียบเงียบความขลาดเรากล่าวว่าเป็นเสนาที่6ของท่านก็เริ่มกลัวแล้วนะอยู่ไปดึกๆึกตื่นขึ้นมากลางดึกก็เริ่มกลัวแล้วทีนี้พอกลัวเข้ า, าเริ่มจะคิดจะปฏิบัติเอ๊ะข้อปฏิบัตินี่มันจริงหรือพันวิจิกิจฉากล่าวว่าเป็นเสนาที่เจของท่านนะะสงสัยแล้วคันนี้เริ่มสงสยัย นี่พอสงสัยเข้ากำจัดความสงสยัยเจริญกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้ปฏิบัติได้ก็เริ่มลบลูเริ่มกระด้างท่านก็กล่าวว่าเป็นเสนาที่แปดของท่านนะโอ้ใครจะดีเท่าเรามีใครเก่งเท่าเราหรอกอ่างนั้นนะเรียกว่าเริ่มลบลูแล้วคนโน้นก็ใช้ไม่ได้คนนี้ก็ไม่ดีทีนี้พอเริ่ม นวว่ามีความเก่งกล้าสา ม, มารถขนาดนี้ก็เกิดลาบสการะสรรเสริญยศที่ได้มาผิดก็สแสวงหาลาบสการะสแสวงหายศโดยผิดผิดที่เมื่อลาบมีลาบมีสการะมียศมีสรรเสริญที่ได้มาแบบผิดอย่างนี้ก็ตัวเองมั่งมีก็เริ่มยกตนแล้วก็ข่มผู้อื่นอันนี้เรียกว่าเป็นเสนาที่10ยกตนข่มผู้อื่นมันก็มั่งมีเลยเนี่ นี้เป็นเสนาของท่านเป็นมารไม่ปล่อยท่านให้พ้นในอำนาจไปเป็นผู้ประหารท่านผู้มีธรรมดำมเนี่ยนะมารเนี่ยจาจัดเล่นงานคนเลวทั้งหลายนะคนไม่กล้าย่อมไม่ชนะเสนานั้นได้คนกล้าย่อมชนะได้ครั้นชนะแล้วย่อมอยู่เป็นสุขท่า น, นพวกมารเหล่านี้ยก็ก็เล่นงานเนี่ยผู้ปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเข้ามาบวชเป็นต้นเนี่ยก็ถูกพญามารมันมากวนตั้งเริ่ม ตั้งกออกออก่อนออกบวชก็ยากบวชมาแล้วก็ยินดีที่จะบวชที่จะปฏิบัติธรรมก็ยากเขาเข้ามาเข้ามาก็หิ ว, ห, วห้ยหิวก็หายตันหาง่วงเอาเ้านอนขี้คลัดสงสัยหนักๆอยู่นานๆก็ลบหลูด่ดีกระดังมีลาบมียศยกตนข่มผู้อื่นนะนะก็เอาละคะนี่พวกนี้เป็นมารเป็นเสนามาร เสนามมนทั้งปวงกิเลสทั้งปวงชนเหล่าใดชนะแล้วให้แพ้ให้ทำลายกำจัดให้เบือนหน้าหนีด้วยอริยมัคสีในการใดในการนั้นชนเหล่านั้นท่านกล่าวว่าผู้กำจัดเสนาได้แล้วันผู้กำจัดเสนามมนได้อย่างแท้จริงก็คือพระอรหันต์นั่นแหละเรียกว่าผู้กำจัดเสนามมนคำว่าอ น, นิคาคือไม่มีทุกข์เนี่ยนะ อะไรที่เป็นความทุกข์ราคะโทสะโมหะนั่นแหละเป็นความทุกข์ความโกรธความผูกโกรธนะเป็นทุกข์ความลบหลู่ตีเสมอเป็นทุกข์ความดิสยะความตระหนี่ก็เป็นทุกข์ความลวงความโอ้อวดนั่นแหละคือตัวทุกข์นะความกระด้างความแข็งดีความถือตัวดูหมิ่นความเมาความประมาทกิเลสทุจริตความกวนกวายความเร่าร้อนความเดือดร้อนอกุศลาพิสังข์สังขารทั้งหลายนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์ ความทุกข์เหล่านั้นอันชนเหล่าใดละขาดตัดขาดสงบประงับแล้วทําให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานชนเหล่านั้นตรัสว่าผู้ไม่มีความทุกเนี่ยนะอันผู้ที่ไม่มีความทุกขก็คือผู้ที่กําจัดบาปกําจัดอกุศลกําจัดกิเลสได้หมดอันพระอรหันต์ท่านก็ป่วยแต่ท่านไม่มีความทุกทางใจนะร่างกายท่านจะเจ็บจะปวดแต่ว่าท่านไม่ได้มนสิการเนี่ยเมื่อไม่แม้มมนสิการมันก็ไม่เจ็บ มันตันหาที่เป็นเหตุให้ติดข้องเยื่อใหญ่เนี่ยไม่มีคําว่าตันหาเนี่ยเป็นชื่อของความหวังตันหานี้อ่ะคือพวกตันหาราคาสราคาอภิชาโลภากุศลมูลเนี่ยชนเหล่าใดละขาดเผาสิแล้วด้วยไฟคือยานชนเหล่านั้นเรียกว่าผู้ไม่มีความหวังพระทหารเนี่ยเป็นผู้ที่กําจัดเสนาเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์ด้วยอํานาจกิเลส เป็นผู้ไม่อยู่ด้วยความหวังด้วยอำนาจตันหากับทิฏฐิเรากล่าวว่าชนเหล่าใดกำจัดเสนาเสียแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวไปชนเหล่านั้นเป็นมุนีคือชนเหล่าใดคือพระาหันตะขีนาศกำจัดเสนาเสียแล้วไม่มีทุกขไม่มีความหวังย่อมเที่ยวไปคือเปลี่ยนอิริยาบถเป็นไปรักษาบำรุงเยียวยาชนเหล่านั้นเป็นมุนีในโลกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเรากล่าวว่า ชนเหล่าใดกำจัดเสนาเสียแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวไปชนเหล่านั้นเป็นมุนีนะเป็นเรียกว่ากำจัดเสนาด้วยอรหัตตมักไม่มีทุกข์ด้วยอำนาจกิเลสไม่มีตัณหาเป็นเครื่องหวังแตวก็เที่ยวผัดเปลี่ยนอิริยาบถไปคนที่มีคุณธรรมดังกล่าวจึงจะเป็นมุนีสรุปคําตอบที่พระผู้มีพระภาคตอบ น, นันทน า, านพวาดูก่อนนันทะ ท่านผู้ฉลาดคือผู้ฉลาดในอริยสัจเนี่ยนะย่อมไม่กล่าวบุคคลที่ประกอบด้วยทิฏฐิด้วยสุตตะด้วยยานว่าเป็นมุนีก็คือปฏิเสธบุคคลทั้งหลายที่ท่านเอามาถามเราย่อมกล่าวว่าชนเหล่าใดกําจัดเสนาเสียแลว้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเที่ยวไปชนเหล่านั้นว่าเป็นมุนีท่านผู้ที่เป็นมุนีอย่างแท้จริงก็คือพระอรหันต์ท่านพระนันทะก็ถามต่อไปว่า สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งนี้ย่อมกล่าวความหมดจดด้วยการเห็นและด้วยการสดับบ้างด้วยศีลและด้วยวัดบ้างด้วยมงคลหลายชนิดบ้างข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นิรุตุสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้สำรวมแล้วประพฤติอยู่ในทิฐินั้นได้ข้ามแล้วซึ่งชาติและชาราบ้างหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้น ขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์เถิดเนี่ยคือคําถามเขาบอกว่าสมณพราหมณ์ในสมัยนั้นเนี่ยเขาถือว่าการที่จะบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์จะมีได้ก็อาศัยการดูอาศัยการฟังอาศัยศีลอาศัยวัดหรืออาศัยมงคลมงคลของเขาไม่ใช่มงคล38มสินะมงคลตามเรื่องตามราวของเขาอ่ะ เขถือว่าการเห็นการฟังศีลวัดพวกมงคลเหล่านั้นเนี่ยทำให้บริสุทธิ์ทีนี้ผู้ที่ประพฤติอยู่ในหลักการที่กล่าวไปเนี่ยข้ามพ้นความเกิดและความแก่บ้างหรือนี่นะถ้าไปปฏิบัติตามนั้นน่ะนะซึ่งภาษาบุตรอธิบายว่าเยเกจิเนี่ยเป็นเครื่องกล่าวรวมหมดว่าชนเราได้เราหนึ่งเข้าถึงการบวชคือถึงพร้อมด้วยการบวชภายนอกพุทธศาสนาน้ชวัตสมมณะ ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งอ้างตนว่ามีวาทะเจริญชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็นพรามพวกสมณะพรามเหล่านั้นย่อมกล่าวความหมดจดด้วยการเห็นด้วยการฟังความว่าย่อมกล่าวคือพูดบอกแสดงย่อมบัญญัติความหมดจดหมดจดวิเศษความบริสุทธิ์ความพ้นความ พ, พ้นวิเศษความพ้นรอบด้วยการเห็นด้วยการฟังทั้งด้วยการเห็นด้วยการฟังหรือ กล่าวความหมดจดด้วยศีลด้วยวัดเนี่ยนะด้วยทั้งด้วยศีลด้วยวัดหรือหมดจดด้วยมงคลนะนะเช่นถือมงคลเป็นวัดถือมงคลตื่นข่าวเป็นต้นเนี่ยนะทังถามถามว่าผู้ที่ปฏิบัติตามทิฏฐิดังกล่าวไปเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยได้ข้ามแล้วซึ่งชาติชราน่ยนะนะนะมรณะบ้างหรือคือได้ข้ามข้ามขึ้นข้ามพ้น เป็นไปล่วงแล้วซึ่งชาติชรามรณะเนี่นะพันขอพระองค์เนี่ยจงตรัดบอกปัญหานั้นอธิบายว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัดบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์เถิดอันสรุปว่าสมณะพราหม์เหล่าใดเหล่าหนึ่งนี้ย่อมกล่าวความหมดจดด้วยการเห็นด้วยการฟังด้วยศีลด้วยวัดด้วยมงคล ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เนรทุกสมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้สำรวมแล้วประพฤติอยู่ในทิฏฐิคือข้อปฏิบัติเหล่านั้นน่ะได้ข้ามแล้วซึ่งชาติและชาาบังหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนนันทะ สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งนี้ย่อมกล่าวความหมดจดด้วยการเห็นด้วยการฟังด้วยศีลด้วยวัดด้วยมงคลเราย่อมกล่าวสมณพราหมณ์เหล่านั้นถึงแม้เป็นผู้สำรวมประพฤติอยู่ในทิฐินั้นก็ข้ามซึ่งชาติและชราไม่ได้ก็ปฏิเสธว่าลัทธิทั้งหมดที่ท่านยกมาถามเนี่ยไม่มีใครพ้นความเกิดความแก่บ้างเลยเนี่ยนะ ที่บายว่าเราย่อมกล่าวว่าข้ามชาติและชรลาไปไม่ได้ความว่าเราย่อมกล่าวย่อมประกาศว่าความข้ามข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงเป็นไปล่วงซึ่งชาติชราและมรณะไปไม่ได schlecht, ้คือไม่ออกไปไม่สละไม่ก้าวล่วงไม่เป็นไปล่วงจากชาติชราและมรณะย่อมวนเวียนอยู่ภายในชาติชราและมรณะวนเวียนอยู่ภายในทางสงสารไปตามชาติชราก็เล่น ชราก็เล่นตามพญาที่ก็ครอบงำมรณะก็ห้าหันไม่มีอะไรต้านทานไม่มีที่เร้นไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งเนี่ยนะพันผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะถือหมดจดด้วยทิฐินะด้วยการเห็นด้วยการฟังด้วยศีลด้วยวัดด้วยมงคลเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถพ้นจากวัตฏะไปได้ไม่สามารถก้าวล่วงวัฏทุกข์ไปได้